อนาปฏิวาลพิกษูต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือหกร้อพิกูตผู้อธิษฐานภายใน10วัน2อพิสูตผู้วิกัพภายใน10วัน 3. าพิสูตผู้สละให้ไปภายใน10วัน 4. ีพิสูตผู้มีบาศูนหายภายใน10วัน5้พิกูตผู้มีบาชิบหายภายใน10วัน 6. กพิสูตผู้มีบาแตกภายใน10วัน 7. จพิสูุผู้มีบาถูกโจรชิงเอาไปภายใน10วัน แปพิกษุผู้มีบาตรถูกถือเอาไปโดยวิาสาสะภายใน10วัน 9. ภิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัติสมัยนั้นพวกพิกูุน์ชพคีไม่ยอมคืนบาตรที่มีผู้สละให้พิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายบาตรที่พิสูจน์สลัดให้แล้วจะไม่คืนให้ไม่ได้ภิสูจใดไม่คืนต้องอาบัตทุกกฎ ปัตตาสิกขาบทที่หนึ่งจบ